ขอขอมาธนาเ น, านกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจในการที่จะเจริญกุศลกันอย่างต่อเนื่องเนาะเมื่อเราระลึกได้ในลักษณะเนี้ถือว่าอู้เนี่ ย, ยเราระลึกถึงคุณของภาษาสดาแล้ว เออคนบางคนนี่เขาได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยเขาพาลานาคุณของพุทธเจ้าขึ้นมาได้จากกระแสใจที่เขาได้บรรลุเลยเขานอบน้อมเขาจากบูปราถนาจะบูชาคุณของพระศ า, ศาสดานี่เป็นนี้ตรงนี้จะมีคําอยู่คำหนึ่งพระศาสดาเป็นครูฉะนั้นเป็นบรมครูจริงๆใช่ไหมคนอื่นเป็นครูพร้อมๆเนี่ ถ้าพุทธเจ้าเนี่เป็นครูจริงใช่ไหมอามาณนี่เป็นครูปลอมไหมมีครูปลอมๆไหมอย่าครูจริงใช่ไหมเป็นอาจารย์ปลอมไหมเนี่ยปลอมด้วยไม่ใช่อาจารย์จริงอาจารย์จริงๆคือพุทธเจา้าใช่ไหมแต่ตอนนี้เรายังเข้าถึงอาจารย์จริงไม่ได้ครบทอาจารย์ปลอมๆเมยต้องระวังไว้นียอาจารย์ปลอมระวังพาเขาลบเขาโพลต้องระวังเลื่ด้วย ตรงนี้ก็คือต้องการให้เราได้เห็นคุณของพระบรมศ า, าสดาว่าพระศ า, าสดาเนี่ยกว่าจะตัดสั้นุทลรสัมมาสัมพุิญาณเนี่ยเนี่ยกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ต้องบ่มเพ็นอะไรมาเยอะมากเลยนันการที่จะบ่มเพ็พระบารมีธรรมทั้งหลายที่จะเป็นพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยไม่ใช่บ่มเพญมาน้น้อยเลยให้สังเกตดูนะตอนที่พระศ า, า, ส, ด า, าสดาตัดสั้เนี่ยใหม่ๆใช่ไหม ภาษาสดาตรัสเกี่ยวในเรื่องของปฐมพุทธวจนะตรัอยังไงตรัดปฐมมัทุพุทธวจนะที่ใช้คำว่าอนเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังขาหาการังเขเวสสันโตดุขขาชาติปุนาปุนัง ท่านใช้คําว่าเมื่อเราแสวงหาในช่งางอะครคือในช่างตัณหาคื อ, อตัณหานี่คือในช่างในบาลีตรงนี้นะท่านใช้คําว่าเป็นปฐมพุทธวจนะก็คือเป็นพุทธวพุทธวจนะครั้งแรกที่พระองค์ตรัสรู้แล้วกล่าวเนี่ยนะอเ น, อนกชาที่สังสาราง ชันดาวิสังอานิพิสังคาหาการังคาเวสันโตลุกาชาติปุนาปูนังบอกว่าเมื่อเราแสวงหาในช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนเนี่ยเมื่อเรายังไม่พบไม่พบอะไรไม่พบอะไรไม่พบโพธิญาณ ไม่พบสัมมาสัมพธิญญาณใช่ไหมจึงท่องเที่ยวไปสู่สงสารสงสารคืออะไรเออไปท่องเที่ยวไปสู่พบน้อยพบใหญ่เนี่ยเป็นอันมากเพราะการเกิดบ่อยๆเนี่ยเป็นอะไรเป็นชาติทีทุกข์เป็นชรลาทุกข์เป็นพยาทิทุกข์เป็นมรณะทุกข์เป็นโสกาปริเดวะทุกขโทมนสะสาวุปายาตเป็นความเจ็บปวดในการเกิดบ่อยๆเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ล่ามไป ท่านบอกว่าพอหลังจากท่านตัดสรู้เนี่ยท่านบอกพรไม่พบสัมมาสัมโพวิยาณ น, นี่แหละก็ต้องโตไหมบอกว่าแต่ก่อนเราแสวงหาเนี่ยหลยเราแวสแวงหาตัณหาอยแ่แหละผู้สร้างเรือนแล้วก็ไม่พบถ้าพบสัมมาสัมโพวิยานพบพระนิพพานเมื่อไหร่ตัณหาหยุดนะตัณหาก็ขาดคหการาคติโทสีปูนาเคหังนากาหาสี สัาเตพาสุกาบคาค า, า, ากตังวิสังกตังวิสังคารกตังจิตังตันหานังขยมัมาชคาบบอกว่าดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาเนี่ยบัดนี้เราพบท่านแล้วตอนนี้เราพบตันหาาหรือยังเอาตันหาอยู่ตรงไหน ตัณหาถ้าจะเกิดอาศัยอะไรเกิดอาตัณหาถ้าจะเกิดเนี่ยเกิดที่ไหนใช่ไหมตาเป็นที่หน้ายินดีหน้าเพลิดเพลินไหมตัณหาถ้าจะเกิดก็อายตาเนี่แหละเกิดหูหรือเป็นถ้าท่ายินดีหน้าเพลิดเพลินไหมตัณหาถ้าจะเกิดก็ใสศหูเนี่แหละเกิดจมูกเลนกายใจเนี่ยเป็นที่น่ารักหน้าใข้หน้ายินดีน่าเพลิดเพลินตัณหาถ้าจะเกิดก็ใสศเนี่ยตาหูจมูกเลนกายใจ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมารมณ์เป็นที่น่ารักน่ายินดีน่าเพลิดเพลินน่าลุ่มหลงไหมตัณหาถ้าจะเกิดก็ใส่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมารมณ์นี่แหละแล้วถ้าจะดับตัณหาจะดับที่ไหนตัณหาถ้าจะเกิดก็เกิดที่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าตัณหาใส่ลูกเกิดจะดับตัณหาทาําไงฆ่าลูกใจขาดเลยถ้าตัณหาจะเกิดจะทํายังไงใช่ไหม เพราะตัณหาอาศัยความอาศัยลูกเกิดไหมอาศัยทรัพย์เกิดไหมอาศัยบุตรภรรยาเกิดมอ่าถ้าเราจะจะดับตัณหาจะทํายังไง <c oughs> ใช่ไหมท่านใช้คําว่าถ้าจะดัดดับตัณหาใช่ไหมท่านบอกว่าดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนตอนนี้เราพบท่านแล้วท่านจะสร้างเรือนต่อไปอีกไม่ได้แล้วโคงเรือน เราทำลายโครงหลังคาทั้งหมดของท่านและโครงเรือนเราก็ได้ลือส่วนยอดเรือนเราก็ลื้อแล้วอาวิชาเนี่ยเป็นยอดเรือนเนาะพวกตัณหาต่างๆก็เป็นโครงเราทำลายโครงเรือนแล้วก็หลังคาทั้งหมดแล้วลือยอดเรือนแล้วจิตของเราบรรู้แล้วไม่มีไม่มีสังขารถึงความสิ้นไปแห่งตัณหาเนี่ยพระดำรัสในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการ เป็นปฐมมพุทธวจนะส่วนคําว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยอันนั้นเป็นปัจฉิมพุทธวจนะก็คือว่าเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังอย่างไรดียังความไม่ประมาทให้ถึงเพราะจงพวกเธอทั้งหลายจงจงอะไรยังความไม่ประมาทว่าไงเนี่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบอกว่าตักถาคตจักเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานะเธอทั้งหลายจงแรงจงยังไตสิกขาให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทใช่ไหมในหลักจริงๆริงคําว่าไม่ประมาทนั้นมป็นชื่อของสิกขาสาม จงยังสิกขาสามนั่นแหละคือศีลสมาธิปัญญาให้ถึงพร้อมเพราะความไม่บริบูรณ์แห่งสิกขาสามนี่แหละเธอและเราทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปมาในสังสารวัฏจนหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้ตอนนี้ศรีศรสิกขาสมาธิจิตสิกขาและปัญญาสิกขาไม่บริบูรณ์นี่แหละมันถึงท่องเที่ยวไปมาอยู่ใช่ไหมนี่เป็นอย่างงี้ตรงนี้ในกรณีอย่างนี้เราก็จะเห็น พระธรรมคาสอนของพระศ า, าสดาตรงนี้ที่พูดว่ า, วาตัณหาถ้าจะเกิดก็ใสตาหูจมูกลิ่นกายใจเนี่ยใส่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นเหล่ า, นนน า, า, าเนี่ยนะพระศาสดาเนี่ยนะท่านก็สอนบอกว่าการการเข้าไปรอบรู้เนี่ยถ้าจริงถามว่าตาหูจมูกลิ่นกายใจเนี่ยตาเนี่ยใช่ตัณหาไหมแต่ว่าอะไรตัณหานี่ยมายินดีมาเพลิดเพลินที่ตาฉะนั้น การมากําหนดรู้มาก็รอบรู้ที่ตาเนี่ยใช่ไหมรอบรู้เนี่ยการไปกําหนดรู้นะรอบรู้ที่ตาเนี่ยเมื่อตอนกําหนดรู้รอบรู้ที่ตาให้รู้ลักษณะของตาเป็นยังไงกิ่ของตาเป็นยงังไงใช่ไหมอาการปรากฏเป็นต้นเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยการกําหนดรู้การรอบรู้ในลักษณะนั้นจะเป็นปัจจัยเก่การที่จะละฉันทลาคะคือความยินดีเพลิดเพลินในตาเป็นต้นได้เอางี้ จากครูประศาสตรรูปความใสที่สามารถรับรูปารมณ์ใช่ไหมอันนั้นตัวประาสตรจักรสูเลยนะไม่ใช่าสสัมภาระนะสภาพที่ทำให้รูปทั้งหลายที่กระทบกับทำให้รูปอะไรสภาวะธรรมทีท่ทำให้รูปใหญ่ใช่ไหมคือดินน้ำไฟลมทั้งหลายอเนี้ยกระทบกับรูปารมณ์ได้ เห็น ไ, ไหมจักขคูประสาทเนี่ยเป็นธรรมชาติที่กระทบกับรูปารมณ์ได้อันนั้นคือลักษณะของจักรคูประสาทจิตของลักษณะอย่างหนึ่งคือสภาพที่ทําให้รูปคือดินน้ําไปล้มเนี่ยรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยที่มีเหตุมีเหตุก็คือทําไมเราจึงมีจกักรุูประสาทรู้ไหมเพราะความยินดีพอใจในรูปสัตว์ทั้งหลายก็เลยปรารถนา ที่จะอยากมีตาแล้วก็มีสมใจแต่ตอนนี้เอาสินี่ไงตันหาให้มาไหมเนี่ยตาแต่ละก้อนแต่ละก้อนที่เรามีคนละสองก้อนเนี่ยอันนี้ตันหาเป็นผู้มอบให้หน่าชื่นใจไหมเขามอบให้ตาสองก้อนมาแล้วนี่ไงตันหาเขามอบให้ใช่รางวัลชิ้นโบแดงไหมใช่ไม่ใช่เออนี่ไงความยินดีเพลิดเพลิพนในความเห็นสีเห็นรูปนี่แหละ เขาก็มอบตาให้มาก่อนหนึ่งตัณหาบวก ก, กรรมบวกกวิชาในดีดนั่นแหละเมื่อทำกรรมด้วยความไม่รู้ใช่ไหมมีตัณหาคือความยินดีพอใจในรูปก็สร้างตาเราก็ได้ตามาก่อนตอนนี้สมใจแล้วได้ตามาแล้วเมื่อได้มาแล้วเป็นรางวัลหรือเป็นผละเป็นาละต้องดูแลไหมทุกวันไหมเนี่ยมีวันไหนไหมที่ไม่ต้องเช็ดตาไม่มีเลยนะ ไม่มีเลยเนี่ยตอนนี้โลกตาเต็มมาเป็นแนวเป็นแนวหมดแล้วใส่แว่นบ้างอะไรบ้างไปตรวจตาแล้วตรวจตาอีกกันอยู่นี้นี่เห็นไหมนี่ไงตัณหามอบให้หน้าขอบคุณไ้มตัณหาเนี่ยขอบคุณก็าไหมทีนี้มีตาอยู่สองตายังไม่พออยากจะได้อีกสองอยากจะได้อีกสองอยากจะได้อีกสองบางคนตอนนี้ต้องดูแลตาอยู่กี่ตานั่นแหละเป็นอร า, านรมณะปัจจัยแกตัณหาหมดเลยเนะ แล้วมาเกิดตันหามามีไหมที่จะไม่ทํากรรมในนี้เราก็ทํากรรมโดยมากทําบุญหรือทําบาปเมื่อเห็นตาอ่เราเห็นตาแดงๆร้องไห้แม่ตังแม่ตังเป็นยังไงเมื่อเราเคยเสียทีเพราะตาดวงนั้นมาแล้วใช่ไหมก็คือทนหลอกอ่ะพอเห็นตาโป้ไปโอ้โหรู้สึกว่าทนไม่ไหว โอ้เห็นตาแล้วน้ําตาอยากจะร่วงทนใช่ไหมใช่นี่เพราะตานี่แหละถ้าแปลกยิงนะเห็นดวงตาหนึ่งดวงตาทําให้เราต้องเสียอะไรเยอะนะโอยได้บาปเยอะเลยจากตาดวงนั้นนั่นแหละถ้าตาดวงนั้นไม่มองเราในวันนั้นปัณณนี้เราไม่มีลูกขนาดนี้เลยปัณณ์ปัณณ์ น, นี้เราไม่มีต้องมาวุ่นวายใจขนาดนี้เเพราะไอ้ตาคู่นั้นนี่นแหละต้องกลับไปดูใหม่ดิ อาได้จริงไ่มนี่โทษของการไม่รอบรู้ตาอย่างที่พระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้กําหนดรอบรู้ตาด้วยความเป็นทุกข์สัตย์ให้เอาปัญญาให้สติไปรอบรู้ใช่ไหมแต่เราเอาตัณหาไปดูซะนี่เพราะอาตัณหาไปดูปแปลว่าอะไรเราไปจะรู้ตาหรือจะไปเพิ่มตาไปเพิ่มต า, ป, มตาปัจจุบันนี้เราไล่ไตามมาบริหารหลายตาแล้วเนีตอนนี้ ใช่ไหมตอนนี้เราก็ได้ตามาหลายตาแล้วต้องมาดูแลทีนี้ปัญหามปนอยู่ตรงไหนรู้ไหมเมื่อเราทํากรรมด้วยอกุศลกรรมเพื่อมีความอยากยินดีเพลิดเพลินในตาในรูปเป็นต้นเหล่า น, นี้ยแล้วกรรมที่เราทําเราไปแล้วเนี่ยมันจะให้ตางามหรือไม่งามหรอถ้าเราเกิดความโลภแล้วก็กระทำกรรมเพราะปารลบสีเกิดความโกรธแล้วก็กระทำกรรมเพราะปารลบสี เกิดความหลงแล้วก็ทํากรรมเพ่อปลารบสีเกิดเห็นผิดกระทากรรมชั่วแล้วปารบสีเกิดมานะแล้วก็ทํากรรมชั่วปลารบสีเกิดวิจิกิจฉาเกิดความปุ้งซ่านเกิดความรําคาญใจแล้วทํากรรมชั่วปารบสี ก, สรรกรรมรนั้นจะให้ได้ตาแบบไหนใชไหมอบายศัตร์ทั้งหลายตางามไหม ใชมองุ่ตาเสือตาจระเข้ตาจิงจกตุกแกตากระตายตาชมดเลไไปดูเถอะตางูโหสารพัดตาไหมตาปลาก็มีตาเนะยอะไบสัตมีตาหมดเลยนี่ไงการทำกรรมที่ปรลาดทานที่ยนี่แหละความยินดีเพื่อเพื่อในตาเพราะเราเป็นเพราะจิตที่เป็นไปกกะキレイแล้วทำกรรมเป็นอย่างนี้ใช่ม แล้วเราไม่รู้เลยเนี่ยเราอย่างนี้เราหวังดีกับตัวเองหรือว่าหวังร้ายตัวตัวเองเนี่ยฉะนั้นการมองอะไรแล้วให้ตันหาเกิดมองอะไรแล้วโทสะเกิดมองอะไรแล้วโมหะเกิดตอนนั้นท่านบนนั้นกําลังทําลายตัวเองใช่ไหมจะไปได้ตางามหรือไม่งามเนี่ยเพราะโทษของโลภะโทสะโมหะที่ทําให้เราปารบสีนี่แหละเลยทํากรรมที่เป็นปัจจัยให้ได้ตาที่ไม่งามไม่รู้ใครทําใครเนี่ยเราทําตัวเองไหมเนี่ย แล้วเราจะไปโทษใครโทษใครได้ไหมเนี่ยนี่แหละลักษณะอย่างนี้การไม่อรอบรู้จากขูปศาสารนี่เนี่ยมันเป็นโทษอย่างนี้แหละเขาบอกลักษณะก็คือสภาพที่ทําให้รูปใหญ่ทั้งสี่ที่เกิดจากกรรมที่มีเหตุก็คือรูปรูปปัญหาคือความต้องการเห็นรูปารมณ์นั่นแหละไอ้สภาพของความใสที่นั่นะแหละกิจรษาศาสตก็คือสภาพที่นําบุคคลหรือก็ดีหรือวิถีจิตก็ดีมุ่งสู่รูปารมณ์อ่ะ ฉะตัวจักรครูปราศาสตรเนี่ยกิจระศาสตร์ของเขาการงานของของจักขคูประสาสตร์นี่นะเขาเป็นสภาพธรรมที่นำบุคคลหรือนำวิถีจิตนะทั้งบุคคลหรือวิถีจิตให้มุ่งตรงต่อวิถีเออมุ่งตรงต่ออะไรมุ่งตรงสู่รูปารมอาการปรากฏคือสภาพอันเป็นที่ตั้งอาศัยของจักขคูวิญญาณประทัดฐานก็หมู่รูปกราบสีทั้งหลายที่มีกลุ่มเดียวกันนั่แหละดินน้ำไปลมนี่แหละ อันเป็นที่อาศัยของจกักรคู菩์อันเกิดจากกรรมที่มีเหตุเหตุหลักคืออะไรรูปปัญหาคือความต้องการเห็นรูปอารมณ์นั่นแหละเหตุใกล้เหตุใกล้ที่ทำให้เราได้ตามามาจากอะไรนะดินน้ำไฟลมนี่แหละที่เป็นที่ตั้งของจกักรคู菩萨ใช่ไหมอาศัยอะไรเนี่ยเป็นที่อาศัยจากรคู菩萨ที่เกิดจากกรรมกรรมบวกกัญหาตัญหาเพราะมีเหตุมาจากอะไร มีเหตุจากรูปปัญหาคือความต้องการเห็นรูปไงต้องการเห็นสีต้องเห็นต้องการเห็นสิ่งที่งามๆทั้งหลายกรรมเหล่านี้ก็เลยสร้างใช่ไหมทำให้เราได้ตาแบบนี้พอได้ตาเบีดเสร็จแล้วไอ้ตาตัวเนี้ยมันมาจากตัญหาที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังแล้วก็มีอัธยาศัยอยากจะเห็นสีต่อไปขยายอย่างปิยุบรณภพเนี่ยอุ้ยเราก็อยากจะเห็นสีอยากจะเห็นสีสวยๆสีงามๆ เห็นสีเหลืองอยากจะเห็นสีแดงพอเห็นสีเหลืองสีแดงเริ่มขัดแย้งกันเป็นดูสีขาวดีกว่าไปใหญ่เลยไปสีน้ําเงินไปสีอะไรไปทั่วเลยเดี๋ยวนี้มันก็ติดสีไปทั่วก็ทํากรรมไหมเดี๋ยวนี้อ่านั่งมองเฉยๆทากรรมชั่วได้ไหมทําให้บาปเกิดได้ไหมเนี่ยนั่งดูเหมือนไม่ได้ทําบาปคือบาปเกิดเยอะบาปเกิดเยอะมี นี่ไงโทษของการมีตานั้นจักขครประสาทยงง่ายมากที่จะนำบุคคลและนำวิธีธจิตมุ่งสู่รูปรรมเพราะอัธยาสายคุ้นเคยสัตว์โลกจึงอยากจะดูไงอยากจะดูวันนี้เนี่ยเราไม่ทุกใจนะดูเหมือนไม่ทุกใจนะในวันที่เรามีตาเนี่ยแต่ถ้าวันใดนยถ้าไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเอ๊ะสงสัยตาคุณจะใช้ได้ไม่ถึงห้าเดือนเนี่ยทุกใจไหม โอ้โหเดือดร้อนมากเพราะอะไรเราทํากรรมมาเพื่อต้องการจะดูสีมันมีตัณหาเ ป, ปเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยมันเป็นอัตยาสัยมาเลยเมื่อมีตาแล้วเนี่ยตาจะนําบุคคลและนําวิถียเกิดวิถีจิตมุ่งสู่รูปา ร, รม์ไอ้ตรงเนี้ต้องมาวิจัยเยอะไปรายละเอียดมากถ้าไม่ถ้าไม่เข้าใจฐานตรงนี้จะไปกําหนดเจะเรียวิปนาได้ไหม เบียบลอยเลยคุณนั่งพับไว้ก่อนในนะัเรื่องเรื่องที่จะมาเดินเดินปรรณาตามอายตนาตวานันในรายละเอียดต้องไปนั่งคุยนเยอะมากอันนี้เล่าให้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจแนะวในมุมตรงนี้แต่ในวันนี้ต้องการที่จะมาสนทนากับเราในเรื่องของกุศลศีลจริงๆได้หลักเลย ท, ทําไมถึงต้องการอยากจะสนทนากับเราในเรื่องของกุศลศีลเพราะเชื่อว่าหลายๆท่านยังเก็บกุศลศีลได้ไม่แข็งแรง ใช่ไหมเออให้สังเกตดูไหมว่าทําไมเราจึงรักษาศีลแบบไม่ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยมุ่งมั่นเลยเออบางทีรักษาศีลแบบประเภทที่ไปวันวันบางทีรักษาศีลได้สองวันแล้วท่านอาจารย์ขอลาศีลแสดงว่าศีลไม่ดีใช่ไหมใช่ปะศีลดีปะดีไม่ดีทําไมต้องอยากลาศี